อนิจาวตาสังข้าราอุปทวายธรมมโนอุปชิตวานิรุชนเตแตสังุปสโมโซโคธรมโมส ก, กจังโสตภูเตอนุสนเถพระสธรรมเทศนาวันละโ อ, อกาสต่อไปนี้ธรรมภาพาพจนชี้แจงแสดงพระสธรรมเทศนา พอเป็นเครื่องสดสง์องคศรัทธาประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญยญิลาศิเสริมสร้างบุญบาร ม, มีให้กับพวกเราท่านทั้งหลายนอกจากนั้นก็จะได้เป็นข้อคิดเตือนจิตจิตใจของพวกเราทุกท่านฐานะที่มาในงานชาปนกิจศพของคุณแม่ชีหนูหรื อ, อ คุณแม่ แ, แม่อานงบุญนาถผู้ที่จากพวกเราไปเหลือแต่สลีละร่างกายสังขารทิ้งแวางให้แล้วเอาเป็นอาจารย์สอนใจของพวกเราว่าทุกชีวิตนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเดินทาง ไปสู่ชาล า, าไปสู่ชาาบรณะคือความแก่ความตายของพวกเราทุกท่านเหมือนนายโขคาดจุงโคไปสู่ลงค่าก้าวขาไปขณะใดความตายก็ใกล้มาเข้าขณะ น, าา น, นั้นเพราะฉะนั้นก่อเป็นเครื่องเตือนใจพวกที่เรามีชีวิตอยู่ว่าเสียอะไรอย่าก็กเสียได้ อยาให้เสียเวลาคือเวลาที่ผ่านไปทุกวินาทีนั้นครับก็จะกืนเอาชีวิตของเราไปเรื่อยๆผู้ไม่ประมาตก็ยอมจะมีโอกาสสร้างความดีได้ทุกวินาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความดีบางสิ่งอย่างนั้นก็ไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรเพียงแค่อาศัยนำมรรมคือจิตใจของพวกเร า, าจิตใจของพวกเราให้นึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อใจเราแม้แต่คำว่านึกถึงมรณะนะุสติยางไก็ยังถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจของเรา เมตตาปรานบอกว่านึกถึงความตายสบายนักเพราะหากรักหากหลงในสงสารจะหนีอื่นมืนใดในแดนโลกพอวิโยกหลบลี้หนีได้แต่หนีหนึ่งมีชื่อว่าความตายหนีไม่ได้ไปไม่พ้นแม่คนเดียว ต่เป็นยิ่งผิดชายกว่านี้ไม่ได้ไปไม่พนแม้แต่คนเดีย ว, ชวเช้าเห็นหน้าสายก็ตายแล้วบางครั้งสายสุขสบายบ่ายก็ม่วยไปแล้วแดดมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอวันนี้สามทุ่มเก้านาทีพระองค์หนึ่งจะตายอยู่ที่ชัยภูมิหัดตายลาโยมหมดแล้ว ว่าอ่านหนังสือพิมพ์วันนี้ อ, อยู่วัดเวรุวันตอนนี้เขาไปนอนในโรงแล้วสามทุ่มเก้านาทีท่านจะละสังขารวันที่สิบเอ็ดให้ค่อยเปิดโรงศพห้ามเปิดเด็ดขาดถ้ายังไม่ถึงวันที่สิบเอ็ดเปิดแล้วก็ให้พวกตำรวจมาสันเหลืสูดศพ ให้หมอมาสนับสูสบุนศพใคร่าผั ว, วท่านจะไปกินยาจ่ายหรืออะไรท่านก็ประกันตัวท่านไว้จะไปว่าว่านาตายในโรงศพโอ้ยตายนอกมันก็ได้ล้อเราเลือกไปตายทําไมในโรงศพตายแล้วคนเขาหามใส่ก็ได้ล็อกหลวงพ่อว่าถ้ามันมีอัศมิมาณนสะ์สำคัญมันหมายว่าตัวทําอย่างนั้นตัวทำอย่างนี้อย่าไปนิพพานไม่ได้นะ ถ้ายิ่งไปแกล้งท่าตัวเองตายปรับบัติทุนลักใจไปนิพพานมันได้ลงนรกลูกเดียวแล้วกับเวลาเผาจะเข้าเตโชถ้าท่านเป็นพระหันคงจะเข้าได้ถ้าไม่เป็นพระหันก็คงจะไม่แน่ใจพอหลวงพ่อเคยประสบการณ์กับพวกนี้มามีองค์หนึ่งไปตั้งที่นั่งตายมาแล้วอยู่บนเขา บอกหลวงพ่อเองหลวงพ่อไหนหลวงพ่อก็ไม่บอกหรอกไม่ใช่ซ้ำเติมนะผู้เหตุการณ์ให้ฟังเฉยเฉยวันนี้ผมจะมาตายอยู่ตรงนี้แ้วผมจะมาให้ใครจุดร่างกายผมเพราเขาจะเป็นบาปแต่คิดว่าตัวเองเป็นพระหันแหละและเวลาตายผมจะเข้าเตโชถ้าเราอ่านพุทธประวัติเราก็คงรู้กันว่าพระหันเนี่ยท่านเข้าเตโช เมื่วงวันนี้ท่านจะประิบพตินะก็ฉันข้าวเสร็จแล้วก็นิมนพระมานั่งร้อมองค์ท่านท่านเข้าเตโชเวทเรียกก็หายไปเป็นพระาธาตุไปแล้วไม่ต้องลําบากกับญาติโยมมาจุดไปทํากองฟอนกันอย่างนี้นเป็นอนุภาพของพระอรหันต์องค์นี้ก็เช่นเดียวกันท่านว่าไม่ให้ใครมาจุดมาเผาท่านกว่าญาติโยมจะเป็นบาป กันจะเผาตัวท่านเองแล้วก็ค่อยๆดูเนาะแต่ทุกวันนี้ไม่แน่นอนนะเทคโนโลยีมันมีมากเอาอะไรไปซ่อนไว้ในนู่นไปกดรีโมทไปทางไหนก็ไม่รู้รีโมทปุ๊บมันก็ตุ่มได้เหมือนกันนะเผาได้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วก็ไม่ว่ากันนะถ้าเป็นจริงกัสาธุนโมทนาท่านเห็นว่าท่านเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันถ้าทําได้ก็ดี แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่จัดจงทั้งหลายไหายถ้ามันเต็มแล้วมันมักจะดังนะพระพุทธเจ้าหายถ้าใส่น้ําเต็มแล้วมันไม่ดังถ้าน้ำครึ่งไหมันจะอู้มไปมันทุ้งเตียงทุ้งเตียงไปอย่างล้มพัดมามันก็วู้วู้ววูไปงั้นน่ะพูดแค่นี้ไม่ต้องแปลเรามาพูดในปัจจุบันเราทีนี้อย่างที่มางานศพของป่านูนี่หลวงพ่อก็ปงตกมาจนแต่ตักอุ้ยแล้วละ่ะ คือมันเห็นชัดในหัวใจขึ้นทุกวันทุกวันเห็นแม่ปรณีก็เหมือนกันเห็นทุอุ้ยขอพิจารณาก็อเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างที่มาแม่ปรณีที่เนี่ยในฐานะที่เคยอุปถรัรมค้ำชูหลวงพ่อมาหลายอย่างถ้าจะพูดว่าไปอินเดียได้ครั้งแรกก็คุณแม่ปรณีถวายเงินไปสามหมื่นยังจำได้เลยสมัยนั้นค่าทัวร์แค่หมืนห้ากับทัวร์แม่วิเชียน ทัวปลานอนตามวัดไปเนื่อนเหลือนั่นก็ซื้อ น, นั่นซื้อ น, นี่มาฝากกันหน่อยแล้วก็สร้างโรงเรียนไว้เมืองอิชัปปูรักเบนก่อนสร้างไว้ให้พ่อก็ไม่เอามาซักบาทดอกสร้างทุกอย่างก็ถือว่ามอบให้เจ้าทรัพย์เจ้าศรัทธาที่ให้เราไปทุกค น, นให้ไปเคยกว่าไปทําบุญให้ ที่นี่ก็มาถึงแม่ปราณีแล้วก็เป็นตัวใหญ่ตัวโตแล้วก็มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุบันแม้แต่อดีตก็เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างพอเผาเสร็จหลวงพ่อหละไปเก็บกระดูกกับท่านน้อยตูลุงน้อยอยงนี้กับแม่ชีสองคนน่ะมั้ง คือละลูกชายจะรีบขึ้นไปครึ่งบินแล้วก็เลยทําปใ ห, ให้ให้ความสะดวกเขาเก็บไปกับพี่นาไปเออคุณแม่ปรานีเอ อ, เ อ, อตอนมีชีวิตอยู่เขากระบาตัวโตบางคนกระบะสวยบางคนกระบะรวยบางคนกรว่าเป็นน้นเป็นนี่อ่าเอาแต่โลกเขาจะสมมติถึงจะเป็นยังไงกันแล้วแต่ ตายแล้วกระดูกจะไม่ขึ้นหม้อหรือแม่หรือตอนมีชีวิตอยูก่กอดตีนล้มดิ้นตายกันเพราะความโลภโกรธหลงกันทุกคนนั่นแหละตายแล้วก็เอาไปอะไรไม่ได้นอกจากบาปและบุญที่เราจะเอาไปได้ได้ข้อคิดอีกตัวหนึ่งว่าชาตินี้เราก็ไม่เห็นหน้ากันอีกชาติหน้าไม่รู้ใครจะไปไหนละขึ้นสวรรค์ดันลงนรกเราก็ไม่รู้กันละ อ่าโยมเมธีนูนี่ก็เหมือนกันที่อาตมาได้พูดไว้บ้าเหมือนกับไรญาติขาดเมิตรไม่ค่อยมีพี่น้องญาติพี่น้องมากมายกายกองกเลยเอาพวกเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันอนอกจากนั้นปานูนี่เหมือนกับเป็นชีวิตที่อาภัพอับโชคอยู่อย่างหนึง่งคือตลอดตลอดไปตามวิบากกรรมไปอยู่เชียงใหม่รู้สึกจนานกว่าทุกที่ไปเป็นแม่บ้านรับใช้เขา ถ้าจะพูดง่ายว่าเป็นธาตุรับใช้มาตลอดชาตาิพอมาอยู่ที่วัดของเราก็หลายปีอยูอ่มาสร้างบุญอยู่ที่นี่หลวงพ่อเน่ยก็เลยชวนบวชรู้สึกว่าจะอยู่เป็นสองสปีมั้งพ่อจึงชวนบวชปานุเอ้ยทุกสิ่งอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะถือว่าชดชาติบากกรรมกันแล้วกัน คนเป็นคนรับใช้คนนี้เราก็รู้อยู่ถึงเวลารับไม่ลั บ, ไ ม, ลบไม่ได้นอนไม่ได้นอนถึงว่ากินไม่ได้กินแนละ้วบางครัง้งบางคราวตกอยู่ในอำนาจของเขาหมดเขาจะว่าไงก็โอ้โอยหอบหน้าอยู่อย่างงั้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่บัดนี้อาจามาก็เลยชวนแกบวชว่ามเรามาเอา ชีวิตรูปนามถวายพุทธเจ้าบูชาพุทธเจ้าดีไหมบรรไปสุดท้ายแล้วก็เอาอะไรเป็นไม่ได้อยู่ในวัดนี่เดินแต่ละก้าวเราก็ได้บุญนะหายใจเข้าแต่ละขั้งถ้าเราไม่ประมาทเราก็ได้บุญแล้วเราไม่ตกเป็นทาสของใครที่เราว่าทำอาหารถวายพระนี่ถือว่าเราสร้างบุญบา ร, รมีทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในวัดนี่คือว่าเราสร้างบา ร, รมีเราแหลน ะ, ะสร้างบุญสร้างบา ร, รมีของพวกเราใครฉลาดก็ อ, อย่าว่าเก็บหอมบ อ, อมทรับกันไว้อยันหารักษาไหว้ใช้จ่ายพอดีพบม่แท้ได้เก็บได้เก็บแล้เก็บบุญเก็บบุศลนไว้ในใจของเราใหญ่มันแสดงบาปออกมาแสดงเป็นเรื่องบุญออกมาถ้ามันเผลอไปก็ไม่เป็นไรตั้งสติได้ก็บาเพ็ญบุญต่อไปเพราะเราอยู่สถานที่นี่แล้วหลวงพ่อก็ให้โอกาสทุกอย่างที่จะให้พวกเราสร้างบรารมีเขาบอกกันแล้วก็ เอาชีวิตฝากไว้กับผ้าขาวผ้าขาวหมายถึงสิ่งที่บริสุทธิ์หอ่อร่างกายเราเนี้ยเข้าสู่โลงศพไปก่อนให้เราไปขาวบริสุทธิ์นะผ้าผมแล้วก็ขาวใจพวกเราก็ให้ขาวใจขาวก็ใจไม่เศร้ามองก็มีสุขคติเป็นอันต้องหวังถ้าจิตของเราเศร้ามองก็มีทุคติเป็นอันต้องหวัง เพราะฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ตรงนี้ก็อย่าประมาทมีอะไรหัดเป็นคนฉลาดเก็บหอมอมซับไปทุกทำทุกสิ่งอย่างเป็นบุญเป็นขนของเราก็ได้เคยชวนกันไว้กับเหตุให้ฟังอยู่ที่วันที่จะไปกรุงเทพวันแกจะเสียชีวิตพาอไปวันหนึ่งแกก็กเสียชีวิตแกยังไปให้ขอคิดธรรมะ ยกกายยกรูปน้นํานี่เป็นอนิจจรงทุกครั้งนัตานะอย่าเห็นว่าเป็นของเรายกให้เป็นหน้าที่ของอนิจจรงทุกครั้งนัตจนให้ตายแจกกายเราจะไปตายกับมันใจของเราเป็นสวยบุญกุศลของเราถ้าเป็นไปได้ก็เข้านิพพานไปเลยเพื่อจงมาเกิดแก่เจ็บตายปล่อยวางมันซะเราอุตสาหพยายามเลี้ยงมาตั้งเจ็บสอปีแล้วเลี้ยงมันมาทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็ยังไม่รักเราเราในกลัวแต่มันจะหิวกลัวแต่มันจะรอดกลัวแต่มันจะหนาวกลัวมันจะเป็นอะไรทุกอย่างหาวิธีรักษามันทุกอย่างมันก็ไม่รักเรามันก็ยังทิ้งเราเดี๋ยวเราเราจะไปเยแสมันทำไมเมื่อมันรักไม่รักเราแล้วก็จะไปหลงรักมันถึอยู่ด้วยกันอยู่แต่เรารักกันไม่ได้ไม่เป็นอะไรหรอกทุกคนก็ต้องไปจุดนี้ชาตินี้ก็เราก็มา อำลาพาจากกันเรารักกันไม่ได้ในชาตินี้กลับไปให้ธรรมะเรือกอนิจังขังมรตานะเงพ่อก่อไปจากเตือนจะเห็นหน้าแกอิ่มขึ้นนะยิ้มพี่ปากอะแดงป่าม้มือเกาะรู้สึกว่ามีเลือดฝาดขึ้นมาอยู่ ที่ไหนได้หลวงพ่อเพิ่งไปรู้เมื่อวานนี้มีลูกิธิ์คนหนึ่งเขาเป็นมะเรนะ็งเน่ยแต่เข้าหายแล้วมันเป็นปฏิยาการของมะเร็งมันเชื่อมมะเร็งมันแสดงออกที่มันทำปากแดงแดงมือแดงแดงเนี่ยมันไม่ใช่จะหายนะมันแสดงฤทธิ์ออกมานะฤทธิ์ของมันนะ่ะอ่าแต่เลยมันนึกถึงปานูอ๋อ หลวงพ่อบาปปานูหายข้าวนี้เลยเลยหายเงียบเลยข้านี้ไม่มาเลยเนี่ยท่านทั้งหลายท่นี้กับบรรพายสุดท้ายของพวกเราเราก็คงจะเคยเห็นหน้ากันแค่เนี้ยอ่าในช่วงที่เรามีชีวิตยอยู่เราก็เคยมีความดีซึ่งซึ่งกันและกันอย่างน้อยที่สุดเราก็คงจะเดินได้ทานอาหารจากฝีไม้ลายมือของเมนูฝนตกแดดออก ออกไปเสื้ออาหารมาทำอาหารถวายพวกพระสองฆ์องค์เจ้าเนหน็ดเหนื่อยเมื่อลาก็ต้องไปอยากได้บุญอยากได้กุศลอย่าว่าชีวิตนี้ก็คิดว่าน่าจะใช้คุ้มค่าอยู่ที่นี่ก็จากพวกเราไปเมื่อเราเห็นคุณงามความดีที่เราเคยทำร่วมกันไว้แล้วก็เลยมาแสดงความกตัญญูความกตัญญูคือได้เคยได้ทานอาหารไม้สักมื้อหนึ่งยังดีอย แม้เราเห็นรอยิ้มใส่หน้ากันสักครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่ามีบุญคุณต่อกันคนเราต้องนึกถึงขนาดนั้นข้าวทัพพีเดียวราทับพานก็ยังนึกถึงเออภาษาริบุยังนึกถึงภาษาริบุตยเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนบวชเนีไปเห็นพระอาจาเชเดินโคจรบินทบาทเกิดศรัทธาความเลื่อมใสเลยตาไปตามไปอยู่แต่ก่อนหยุดในกับสนสัย ใช้เวททบุตรคือหน้าบวชทั้งหกครูทั้งหกนี่ก็ไม่ได้บรรลุทำอะไรนะักจึงไหนมาสัญญากับค้าพโมพกขลาว่าเออแล้วก็อยู่มานานแล้วเราก็ยังไม่มีอะไรจะดีขึ้นอ่าวันนี้ให้เธอไปทางนี้เราจะไปทางนี้ถ้าใครพบของดีให้มาบอกกันภาษาลิบุตรก็ไปพบพระอา จ, จเรย์เนี่ครั้งแรกก็เห็นอิริบทงามก็เลยตามไปอยู่ในการนันสํารวง พอภาษาสรีดุรนี่ฉันฉันข้าวเสร็จแต่ก่อนไม่ได้ฉันในวัดอย่างนี้นอกไปนั่งฉันตาช้นโคนต้นไม้สรีดุลเป็นปริภาชกอุปติสสะปริภาชกก็เลยเข้าไปคือเป็นนักบวชแบบว่าแบบหนึง่งแต่ไม่ได้นุ่งเหลืองขมเหลืองอไปกราดถูกว่าท่านเป็นลูกศิษย์ใครเป็นสาวกของใคร ท่านจึงมีการสํารวมงดงามเช่นนี้ใครเป็นอาจารย์ของท่านสารีบุตรก็เลยบอกว่าพระสมณโคดมเป็นอาจารย์ของเราเราเป็นสาวกของท่านทางอันนี้มนต์นนท่านแสดงทำให้ฟังหน่อยพระหัต์ท่านถ่อมตัวเนะีะยอย่างนี้หายมันเต็มแล้วนะท่านก็ว่าเออเราเน่ยเป็นพระบทใหม่นะแสดงทำก็ไม่ได้วิจิตพิสดารอะไรรับถ้าท่านอยากจะฟังก็ไปฟังพระพุทธเจ้าไป สมน้ำ ก, ก็ดมนั่นไม่มากก็ให้ได้นิดหนึ่งก็เอาอ่อันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาจากเหตุเมื่อเหตุมีเหตุแล้วก็มีผลพระพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันนี้ก็ดีองค์ก่อนนุก็ดีองค์จะมาตรัสรู้ในภายปากหน้าก็ ัดนนเียวกและก็ทุกสิ่งอย่างมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนฟังแค่นี้ท่านจังายก็เลยบรรลุธรรมขึ้นได้โสดาบันในดวงตาเห็นธรรมโอ้เราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเหมือนกับไก่นะ่เาเหมือนไข่ไก่ไข่ที่มันถูกแม่มันกกมานานแล้ว ในอุณหภูมิดีสมควรที่จะเอาจะ ง, งอยปากเจาะเปลือกไข่ออกมาก็เลยเอาปากให้เจาะเปลือกไข่ออกมามาดูโลกว่าโอ้โหโลกนี่มันเป็นอย่างนี้หรือแต่ก่อนเราอยู่ในเปลือกไข่เราไม่รู้เลยก็เลยเอาห่อเป็นเช่นนี้เองพระพุทธเจ้าก็เลยอุปมาว่าอาวิชาเปรียบเหมือนเปลือกไข่ที่รูความไม่รู้จริงที่ ห, ห่อหุ้มจิตใจของสัตว์โลกไว้ พอได้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอุปมาเหมือนไก่เอาจะงอยปากเจาะเปลือกไข่ออกมาดูโลเริ่มรู้แจ้งโลกขึ้นมาละอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยจิตก็เลยไม่ตกตำ่ำไก่นึกถึงพระอัจฉริย์นี่ตันเหลแม้แต่วบวชมาแล้วเวลาจะนอนพระอัจฉิ์อยู่ทิศไหนเข้าฌานดูก็หันศีรษะไปทางทิศนั้นแล้ว ก, กราบ เป็นพระอรหันต์แล้วก็ทําอย่างนั้นมาตลอดนี่พระอรหันต์นะไม่เหมือนปุถุชนคนธรรมดาคนธรรมดารีบบางทีหัวอาจารย์อยู่ที่ไหนก็ยังเอาเท้าไปก็มีหัวแม่หัพวพ่ออยู่ไหนก็ยังเอาท่าไปพ่อแม่โน้นฝ่าท้าก็มีนะอันไม่ได้สํานึกถึงอุปกรณคุณถ้าภาษารีบุตรนี่เหมือนกับว่าเทอทูลไว้เหนือเสียเหนือเก้าวตลอดอันนี้วันหนึ่งก็เลยเรื่อง ไปถึงพระพุทธเจ้าพวกไปแต่มันรูท้ทําดังไรนะฮะว่าพระษาริปุติวิปลาสขบวีปิราชคือจําผิดไหว้ทิศพระพุทธเจ้าก็ถามคุณในธรรมกลางสงฆ์ในท่านก็นเลยแสดงบุพการีคือรู้จักอุปกรณคุณของพระอัชฉระที่ให้ท่านในบนรรลุทําครั้งแรกพุทธเจ้าก็เลยสาธุอยากยกย่องว่าเป็นผู้มีอุปกระ เ, เป็นผู้มีความกตัญญูรู้จักบุญคุณของผู้ที่บ่มคุณต่อเราขั้นต่อมาที่นี่ก้ะช่วงหนึ่งราธพ า, ามตั้งจะเกิดมาไม่ได้ขอฐานจนอายุเก้าสิบลูกหลานก็ไม่เลี้ยงแหละก็เลยยินข่าวว่าพระพุทธเจ้านี่โปรดทั้งคนแก่คนเฒ่าลูกเลี้ยงแต่โปรดหมดก็เลยจะไปขออาศัยพระพุทธเจ้าวบวช พระพุทธเจ้าก็เลยถามขึ้นในถ้ำกลางพุทธบริษัททั้งหลายว่าใครได้เคยรับอุปการะคุณจากราธาภามบ้างให้ยกมือขึ้นก็ป ร, กรากฏว่าเงียบเพราะพระราธาภามนี่เกิดมาไม่จะขอขอขอขอข อ, ขออย่างเดียวเนี่ยแต่ภาษารีบุตรท่านเคยได้รับอุปการะคุณจากราฐาภามข้าวหนึ่งทัพพี วันหนึ่งเราจะพามไปขอข้าวเลยทัพพีหนึ่งเห็นพระสารีบุตรออกโคจรบินเท บ, บาตแต่สำนึกคือได้แบบเออเราเกิดมาไม่ได้ขอทานขอทานอยากไรเข็นใจเพราะเราไม่เคยได้ทำทานไว้วันนี้เราไม่กินข้าวแล้วแต่จะขอเอาข้าวที่ขอไม่ได้ใส่บาทพระพอใส่บาทลงไปพระสารีบุตรก็ว่าเอวังหัวตก ขอความปรารถนาอย่างนี้อย่างนี้จงสำเร็จแก่ท่านเถิดพรามกอนเลยอธิฐานมาลาท้าพรามบอกว่าขอเดชะกุศลผลทานที่ข้าพเจ้าได้ทำวันนี้พระคุณเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมอย่างไรขอให้ข้าพเจ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเช่นนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้บวชในรกุศลศาสนา ที่นี่ก็ภาษาริบบทจากไปภาษาลิบตรนึกถึงคำนี้ก็เลยว่ากราบทูลองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าเดชพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าเคยได้รับอุปการละจากราชพามนี่ข้าวหนึ่งทัพเพยถ้า ง, งั้นสารีบุตรเธอไปบวชให้บวชให้แล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเจ็ดวันก็ได้เป็นพระรหันเก้าสิบยองได้เป็นพระหันนิยมนะ ครั้งสุดท้ายเวลาพุทธเจ้าพุทธเจ้าเอาสมควรละสารีบุตรเออสาริบุตรพระโมกขลานี้นิพพานก่อนพุทธเจ้านะคุณโยบมายก่าว่าอานิพพานทางทางรูปธรรมนะแต่นา ม, มาทำทางจิตใจพุทธเจ้าเป็นองค์แรกก็จะขอไปนิพพานที่บ้านเกิดเพราะตั้งแต่บวชมาไม่เคยไปเยี่ยมบ้านนี่นะไม่เหมือนพระเราทุกวันนี่พระเราทุกวันนี้บวชสามเดือนไปเยี่ยมบ้านไม่รู้กี่ครั้งกลัวบ้านจะหายยังไงไมรู้ ภาษาริบุตรท่านได้บวชมาด้วยไม่เคยไปเยี่ยมบ้านเลยวันจัประรริผ่านไปนึกถึงอุปการะคุณของแม่ที่ใาชาติกำเนิดเกิดมาแม่ยังมิชาติทิฐิอยู่ยังไม่ได้นับถือทางาศาสนาพุทธก็ลาพุทธเจ้าไปก็เลยให้น้องชายนางพรรมณีมีลูกเจ็ดคนนโยมเป็นพระหันหมบทั้งเจ็ดคนนะถือว่าเป็นแม่ที่มีบุญมาก ตั้งท้องเจ็ดคนนี้ได้เป็นพระหันทั้งเจ็ดให้พระน้องชายไปก่อนไปบอกข่าวแล้วก็ไปทำปรรล้พิธีเพราะพระสารีบุตรมีมีลูกศิษย์มากไปห้าร้อยรูปแม่ก็เลยบอกว่าเออสงสัยลูกเรามาเยี่ยมเราข่าวนี้มั้งไปตั้งนานมาหรือจะมามาแลาภาพก็ไม่รู้พอไปก็เลยถามแม่บอกแม่ โยมแม่เนี่ยคอดอาจจะมาอยู่ตรงนห้แม่บอกว่าเอออยู่นี้นะตรงกลางบ้านนี้ก็เลยให้ลูกเสร็จโปูผ้าสังคารลงท่านก็นั่งประทับอยู่ตรงนั้นพอพบคำ่ำนี้เทวด า, ม า, ดามาเทวดามาขออุปถาโอ้เยอะแยะเลยแม่ไม่เคยเห็นเราว่าเี่ย ถามพระนองชายว่าเอานี่พระใครมาหาพระสารีบุตรนี่อ๋ออันนี้เทวดาแม่ยมแม่โอ้โหลูกเราเนี่ยขนาดเทวดายังมาอุปถัมภุธาขนาดนี้เลยพอขึ้ามาเวลาขนาดนี้ก็มีพรมลงมามาขอกราบอุปถาเทกระถ น, ะนาดนี้นลเลย ตอนท่านอาพาตขึ้นาธตะะะาตุแต่นี่ปัสสาวะผุจล้ออกก็ใส่กระถนจะแปลงนิ ย, ยมนะพระปฏิบัติจริงๆนี่ปัสสาวะยิ่งหอมมันน้ำผึ้งหรือท่านเป็นเบาหวานยังไม่รู้นะแต่ว่าเคย <c oughs> เคยอุปถามครูคบาอาจารย์ปัสสาวะไม่เหม็นเลยแปลกนะเลยหลวงพ่อเคยเห็นจริงๆพ่อเคยได้อุปถัมภแต่ท่านไม่ได้เป็นเบาหวานนะแต่ปัสสาวะยิ่งหอม นี่ก็โอ้โห و, ขนาดพรหอมอยังกราบด้วยนะกราบพระโถนนั่นกราบแล้วก็เทินศีรษะไปอ่าไม่ใช่ถือไปธรรมดาคือเคารพนะแม่ก็เลยโอ้โห و, ขนาดนี้เลือดลูกเราของเสียขนาดนี้ท่นเป็นพรหมจึงเอาเทินศีรษะไปเลยเราเป็นมนุษย์แท้ๆทาไมเราจะไม่กราบลูกเราทําไมเราจะไม่เลื่อมใสในลูกเรา พอภาษาลิบท ร, รู้ว่ารัฐจิตของแม่ว่าเออแม่ลดมานะระทิฐิลงแล้วก็เลยแสดงทำให้ฟังแม่ก็ได้บรรลุธรรมคือได้โซดาบัตโซดาบันจิตไม่ตกต่ำแล้วมีพุทธธรรมผสมป็นสาที่พึงตลอดชีวิตแล้วท่านก็ น, นิพพานพระพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องสรรเสริญย่อว่าภาษาลิบรนั้น นอกจากเป็นผู้มีปัญญาเลิศแล้วยังเป็นผู้มีความกตัญญูกตเปเปเปวิธีตาเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเอาเป็นตัวอย่างเอี่ยอย่าโฉมทั้งหลายผู้ท่านมีความกตัญญูถึงแม่แม่ชีหนูของเราท่านจะจากไปถึงท่านทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้พวกเราแต่ลวงพ่อได้รู้อุปการะคุณทำอาหานการขบชั้นให้หลวงพ่อทําไหว้วงพทุกวันนะท่านแกอยู่นะความเ้วอ ลุกไม้ลูกมือของทา่านพากันทำถวายพระอันนี้แล้วก็ถือว่าแม่หนูก็เอาพวกเราเป็นญาติผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันเมื่อแม่หนูจากพวกเราไปถ้าพวกเราไม่เก็บสรีระร่างกายก็ไม่มีใครจะทำํำละเพราะฉะนั้นพวกเราก็มาทําด้วยจิตอันเลื่อมใสเรามาทําบุญครั้งนี้เหมือนกับว่าแม่นหนูนี่ก็เอาพวกเราไม่ถือว่าเป็นไรญาติขาดามิตร แต่เม็ดที่ดีที่สุดคือบุญของเราเนี่ยทีเดียวบุญของเรานี่เป็นมิตรที่ดีที่สุดติดซ้อยห้อยตามช่วยเหลือเพื่อกูลเราเหมือนเงาตามตัวไะบุญที่เราทำไว้นี่เป็นมิตรที่ดีที่สุดเป็นญาติที่ดีที่สุดในโลกนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นไว้กับตัวของเราออย่าพากันประมาด ควาสคัญร่างกายของเราเนี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นมากระดังที่กาวนี้จะมั่งมีสีสุขร่ำรวยสุดสวยงดงามขนาดไหนก็เดี๋ยวกับเผากนลักไม่มีอะไรแน่นอนหรอก่อาคกระเผาไม่ชีก่เกเะเผาญาติโจมกระเผานั่นแหละไม่มีใครหนีพ้นตัวนี้แก่ชีวิตของเราอยู่ในปัจจุบันเราจะทำอะไรมีความสุขที่สุดมีคนถามปัญหาความรู้วันนี้ หลวงพ่อเกิดชาติหน้าหลวงพ่อคงจะมีความสุขเนาะแตมาไม่เคยคิดเลยยอมหลวงพ่อเคยจะทําบุญไว้มากเนาะจย่างในบทป็นพระพ่อไม่เคยคิดยมปัจจุบันหลวงพ่อคิดในปัจจุบันว่าปัจจุบันหลวงพ่ออจะมาจะทําดีที่สุดในชาตินี้แล้วก็ให้มีความสุขที่สุดแต่และวันละวันไปเพราะเราทําดีวันนี้ ความดีวันนี้ก็จะดูแลเราไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนี่พ่อแม่ไปน้องทั้งหลายพวกเราจึงพยายามตั้งใจทําดีที่สุดในวันนี้เวลานี้พวกเราก็จะได้รับบุญรับกุศลเรื่อยๆไปบุญกุศลนี้นะก็จะอธิษฐอยไอยตามเราเป็นเราทําตัวดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ดังที่กลา่าวว่าเราก็มีงานสองงานวันนี้ก็เห็นสมควรแก่ ก, การในเวลาอ่า ท้ายที่สุดนี้ความนานบรรมีคุณพระสิริรัตน์ไตรปกปักรัาษาคุณครองพวกเราให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วขอให้บุญนั้นเกิดขึ้นจากการให้ทานรักษาศีลความธรรมนนี้จงรวมกันมาเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสมเป็นอันนี้สงช่วยดนบรรดาในดวงบิญญาณของคุณแม่ชีหนูของเราได้รับอนุโมทนาด้วยเถิดมิรับโมทนาแล้วถ้าตกทุกข์คอยพ้นจากความทุกข์ ถ้ามีความสุขขอยมีความสุขยิงๆขึ้นไปสนนมน้ำน้ำที่พวกเราทั้งั้งหลายในปรารถนาไว้แล้วจงทุกประการรับประทานแสดงชธรรมเทศนาหมายเอวังก็มีด้วยประการและชนี้